มาสกานะมาสการเจ้าพระพิฆาตดูงานว่าอ๋อถ้าถ้าเป็นสองสมบัติดินนะเจ้าพระจารย์ก็คิดว่าออ่ตัวรู้ที่เป็นธาานะคะก็ทํางานได้ดีมากจริงเจ้าค่ะค่ะแต่ว่าเวลาที่เพิเพิ่เกินหรือว่าหรือว่ากับกลุ่มหรือว่าผู้เรียนนะคะหลายขั้นเนี้ยก็ก็จะ จะหลุดไปเจ้าค่ะแต่เห็นว่ามันยังไม่เข้มแข็งเวลาที่เราเราคุยอค่ะค่ะ อ, ออืมก็ไม่เป็นไรเราก็มาขั้นตอนที่หนึ่งที่สองตอนนี้เราสอมแบบสามเราสเต็ปเอฟเวลาเดียวกันเลยดิเดินจงกรมตามเดิมฝึกกดห้าร้อยแต่ก็มาเรียนรู้อ أ, ตอนนี้ตั้งแต่นี้ตั้งแต่นี้ไปยังให้กดห้าร้อยอยู่ใช่ไหมเจ้าเออแล้วก็มาเรียนรู้แบบระหว่างงานทั้งวันอย่างเงี้ย เดินจม <ะ S 1> ตามปกติเวลาเดิมใช่ไหมแล้วมากดห้าร้อยครั้งเพราะเพื่อจะซ้อมอแล้วก็ลดตัวกดลงโดยเปิดใจให้มันเรียนรู้ทักงสองขั้วขวาเช่นให้ ร, รับรูปกายได้ด้ว ย, วยรับรูปความคิดได้ด้วยเนี่ยฝ่อซ้อมตัว น, นี้ให้ชํานาญ น, น, นี่คือขั้นตอนที่สามที่เราต้องฝึกให้จิตเป็นการหรือให้หือพูดง่ายๆให้จิตอยู่รู้อยู่ระหว่างกลางรูปและนามภายนอกและภายใน คือขั้นตอนที่สามท่านพูดได้หมดนะหัดจิตให้รู้อยู่ตรงนี้ยเจ้าค่ะเออหัดดีดีดีขึ้นไหมงั้นก็ดีขึ้นมากเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เมื่อวานก็ได้ลองคุยกับอาจารย์น้องเรื่องว่าถ้าหากว่าเราจะต้องไปรายงานวันก่อนเนี่ยเราจะรายงานกันว่าอย่างไรอะค่ะเสร็จแล้วเราก็คิดกันว่าเราจะจะเอาสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานเนี้ย เขียนสดให้พัดอันได้อ่านเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รายงานในในในที่ประชุมนะคะแต่เรามารายงานกันนอกรอบกันอีกค่ะอืมก็ดีแหละไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะก็ดีค่ะอืมแต่จับจับหลักการได้ดีขึ้นเนาะจับเห็นหลักการได้ดีขึ้นใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะรู้ว่าชั้นขึ้นโดยทั้ง ทางเรื่องเรื่องการปฏิบัติกับเขาตามไปในประเด็นที่ที่ทพระอาจารได้แนะนําค่ะเฉพาะการที่ <pson. S 1> ให้การหลังเจ้าค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละคือรู้จักว่าให้อารมณ์นาไปก่อนเพราะช่วงที่ที่เราให้อารมณ์นาไปก่อนเนี่ยมันจะรู้ว่ามันทำอกไรขึ้นมาเองเราทํามาที่รู้เจ้าค่ะไป่จะทำที่ต่ะอืมมันจะจะเบาลงไปเรื่อยๆแล้วคือขั้นตอนที่สาเนี่ยมันต้องมีโจรมันอยู่แค่ปีกอย่างเดียว มันใจยอมรับ hmm. ทุกเรื good, you know, them, ่องเราวให้มันเกิดขึ้นมาเลย้ยินน ok. ี evening, ้เลยเกิดขึ้นมาเลยตามเขาเขาแต่ว่าแล้วก็ตัวเองให้เป็นคนสังเกตนะสังเกตมันสังเกตมันรู้มันเพื่สังเกตมันมันจะได้ตัวรู้แี่ะตัวรู้อารมณ์ทุกตัวจะได้เดิมเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแต่เวลาเท่ากันก็เป็นอรมณสองข้างให้นึกถึงว่าเราเดินไปแล้วเราเรเดินไปด้วยกันสามคน มีคนกระหน่ำข้างท้ายและข้างขวาคอยดักส ก, กิดเราอยู่เรื่อยๆให้เราไปเจอเห็นว่าแต่เราไม่ไปกับเขาเจ้าค่ะเห็นเขารู้เขานิสัยเขาจะเป็นยังไงแต่ละคนที่จะมาหาเราเยอะแยะมากมายทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีทั้งคนจู้จี้ทั้งคนรําคาญทั้งคนปีตกกังวลทั้งคนละเล่มมันก็จะมาข้างในเนะข้างนอกนก็จะมาะลูกเสียงกินรสสัมผัธสยามกระทบเราไปเรื่อยๆตามตามเรื่องตามราวพวกมัน แต่ใจเราอะไม่ไปตั้งสองฝากฟังเรียนรู้ทำเกิดขึ้นแปรปวนแตกดับองค์ประกอบองคไปเรื่อยๆจะทำให้ใจเข้าใจแล้วอันนี้มันจะมันจะทำให้จิตหายสงสัยจิหายสงสัยเมื่อไหร่นะมันจะคิดให้คิดไม่เป็นไรก็ลังคิดกัน่ะอ่าทานเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเขาเก็บจานค่ะอ๋อใช เสียง <นา S 1> ดังเข้าไปใช่ไหมคะกำลังเดินขยับทางออกมาเลยนะเจ้าค่ะค่ะน่ะ่ไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วฝึกไปเจ้าค่ะมีอะไรอีกไหมที่จะถามอ่ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะพาะจนร์ อ๋ออาจารย์นึได้นึกนกได้เจ้าค่ะว่า<ะ>เวลาที่เดี๋ยวนี้เวลาที่ที่จะทําอะไรอย่างเช่นเดินหรือนั่งหรือว่าทํากิจกรรมอะไรแล้วแล้วมันนึกได้ว่าเราจะต้องไปทำทำอีกอย่างนึงก็จ ะ, ะกําหนดว่าเดี๋ยวให้เราเดินสักสามรอบก่อนหรือว่าเดี๋ยวอีกสักสองสามนาทีค่อยไปอันนี้มันเป็นการให้อันนี้เป็นการใช้ใจกําหนดไหมคะหรือว่าอันนี้คือคือเราไม่ได้ใช้กายนํำไหมคะ เขาเรียกว่าเราอันนี้เ้ารียกนี่อันนี้เขาเรียกว่าใช้อยู่ในคนขนั้นที่สองฝึกฝืนอ๋อเจ้าขาเจ้าขาฝึกฝืนก่อนฝึกฝืนมันนิ<ร>่งก่อนเพื่อเพื่อสังเกตมันดีๆก่อนนี่คือเรื่องอยู่ในขั้นตอนที่สองเจ้าขาเดี๋ยวเมื่อไปทาแล้วปุ๊บก็ให้เข้าไปสู่ขั้นตอนที่สามได้เลยเห็นทั ard, ้งกายเห็นทั้งใจแล้วก็ทำกับกาเจ้าค่ะ ที่อยู่ <ไป S 2> ตรงกลาง ไ, <ป>ไม่ไปทั้งซรายและฝาไปไปกับเพื่อนคนใดไม่ไปกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งนะเจ้าค่ะเอแต่ตอนเนี้ยเราอาจจะฝึกฝืนแล้วมาอยู่ข้างเพื่อนข้างไอข้างภายนอกหน่อยนึงเจ้พื่อต่อรองเพื่อนไปไหนบางทีมันมีแรงชวนหรือมันออกไปกับมันบ่อยเรเลยต้องฝึกฝืนมาอยู่กับเพื่อน ข, อขอน้างเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ปฏิเสธนะเวลาฝืนนะสังเกตดีฝ <น shipping S 2> ืนทุกเรื่องแต่อย่าไปปฏิเสธทุกเรื่องไปปฏิเสธมัน แค่ฝืนวันเฉยๆไม่เป็นเสษ็จไอยากก็อยากไปแต่ฉันไม่ไปทําประมาณนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่เราไม่ไปทำแต่ในที่ว่าฟื้นคือเราไม่ไปทําตอนนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเราถึงจะไปทําจูนมป็นเจ้าค่ะฝึกืนเพื่อดูซิว่ามันจำเป็นจริงไหมมันสุกคนจริงไหมใช่เวลาเหมาะสมไหมอย่างเช่นอย่างเช่นในข่ายบางทีนะบางคนนะมันมันบาั้ฝึกไม่ได้ฝึกฝื้นทดวไปยังไงใช่ไหมอยากฝ่ายก็บาดเลิกเลย อยางเงี้าจะยังไม่ได้ฝึกฝืนถ้าที่เอามาจากฝาดแล้วมันใช่เวลาฝาดไม่ตอนนี้เพราะเราเดินจงกรอยู่ไปฝาดเนี่ยมันจะเป็นใจแลนี่ก็เรียกว่าไม่ทันอารมณ์เจ้าค่ะใช่ไหมเออถ้าฝึกฝืนวันนี้ยังไม่ใช่เวลานะต้องใช่เวลาที่เวลาก็เลิกก่อนเพื่อเป็นรบกวนสมาธิคุณึืออะไรอย่างนี้เขารีย่าฝึกฝืนแล้วก็คอยดูจักว่าดูเขตดูผลดูตนดูประมาณการดูบุคคลดูชุมชนดูบรรยากาศเอแล้วไปทําเจ้าค่ะอันนี้เรียกวใจปัญญา เรใช้ปญัญญยทจาเจ้าค่ะจได้สังเกตความเหมาะสมมั้ยมานีนะเจ้า่ะอาจารย์น้อมกรพระอาจารย์เจ้าขาสมัากัจจาค่ะเอ๋อ่ก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดโน้นนิดนึงค่งะแฟชัน่นนอนเลยก็ก็ตอนที่พี่ๆเขารายารกันก็โนแล้วเอิตัวเอง เองแบบเออมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าแต่เพราว่ามันไปอยู่ตอนไปอยู่ที่ค่ายเนอเนี้ยจ๊อค่ะก็เพราะว่าตอนอยู่ที่ค่ายก็ช่วงแรกๆมันก็มีความแบบว่าเออเชียนพีอะไรเงี้ยพระอาจารย์ไปแล้วมันก็มีแบบเรื่องของการวางใจที่ยังไม่ไม่ค่อยคือเรื่องของความวังใจที่เราไปาาจัดการกับอารมณ์ที่ที่ที่ที่ที่มันเกิดขึ้นค่ะนั่นคือ เออออย่างตอนที่ไปค่าเนี่ยค่ะพระอาจารย์สําหรับโยมครั้งนี้ในแง่ของคือโยมว่าสําหรับตัวโยมมันเป็นเรื่องของการของการเรียนรู้อะ่ะเพราะว่าออพอดีแบบช่วงจังหวะที่ที่มันเจอซึ่งโยมก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นการที่ทําให้จิตอยู่กลางหรือเปล่านะคะพระาอาจารย์คือคือพอเราเดินไปเนี่ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลานจงกรบมันเป็นเป็นเนินมันสโลพอดี เหยียบไปเด็ละก้าวค่ะพระอาจารย์มันมันมีความแบบมันก็คืออายุทนะมันก็ทํางานตามปกติแหละมันก็จะมีความแบบไม่พอใจอ่ะมันเป็นวิทานาเกิดขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาซึ่งตอนแรกเนี่ยช่วงแรกแรกช่วโมงแรกค่ะพระอาจารย์มันมันไม่ได้เลยนะคะคำว่ามันไม่ได้คือมันปยากจะจัดการอยากจะทําอะไรสักอย่างหรือให้แบบว่ามันเกิดสภาวะดีๆที่เราเคยแบบเคยเดินแล้วเราแบบเดินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจาเอ๊มันก็คิดเยอะเหมือนกันเอ๊จะไปแบบ จะจะไปเอาจอบมาถากมันออกไหมจะแบบจะจะจะยังไงคุณดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เออก็พยายามลึกถึงคําที่ประธานบอกว่าอย่าไปจัดการกับมันอะไรเงี้ยจึว่าอ่ะลองดูแลการก็เจินต่อไปคือคือตลอออกตลอดสามสี่ 3, ชั่วโมงที่โยมเจออยู่อะมันก็เป็นอารมณ์เดิมนะคะพาะกาะมันก็คือทุกครั้งที่บรรดับรู้เนี่ยครั้งที่ท ที่เก้ามันก็มีตัวรู้เกิดขึ้นแล้วก็มันก็รู้ด้วยว่าพอรู้เสร็จปุ๊บมันมีความไม่ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วล่ะที่ที่เะว่าต้องเก่็งเท้าตลอดเวลาแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันที่ว่าที่ว่าพอมันไปสักทิพย์หนึ่งนะคะอาจารย์มันก็เดินได้แล้วก็เด<ม>ินได้แบบเดินได้แบบที่ตัวเองก็ไม่พอใจอ่ะนะค่ะอาจารย์มันก็ไปเรื่อยเนขอมันนะคะอาจารย์ก็ เออแบบไม่พอใจรู้ไม่พอใจเป็นอย่างเงี้ยก็ก็ไปได้ใจมันก็โตขึ้นแต่ถามว่ามันมันเปรี้ยมันโลกแบบที่เราเราเคยเดินแบบได้อารมณ์มันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะคะพ่อจันแต่ใจมันมันมันมันดีขึ้นโรงแรมมันดูเฉยเฉยเลยอะไม่ไปต่ออะไรกับมันก็คือดูเฉยเฉยว่าเออมันไม่พอใจไงนะมันมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ ที่ผ่านน่ะอยากบอกก่อนหน้านี้นะคือลามันมันเดินมันรู้ครับมันคิดใช่ไหมครับอาจารย์ความรู้สึกตัวจัดจางแล้วก็ไอตัวกวามคิดาระมันจะแล้วเราก็จะตึ้งแล้วเราก็จะไปกลับไปอยู่กับการตัวที่มันขึ้นจากการเคลนไหใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรืออุกติธรรที่มันเกินการถูกป่ะครั้เนี้ยเหมือนว่าเออมันก็มีฟังหวังครับที่มันในในการมันจะว่าเราก็รู้นะว่าเรากําลังเรากําลังเดื มุมหนึ watering, ่งแล้วก็ไม่ว่าเราก็คิดด้วยแต่ครา้แรกเราไม่ไม่ไม่ประมาณน่ะเราก็เห็นอย่างว่ามานดับไปคือมันเกิดขึ้นมันก็ดับมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันดับมันดับก็เป็นอย่างอย่างนี้ยค่ะก็แบบมันไม่ได้เป็นตลอดนะคะพ่อจันมันก็จะเป็นแับบางช่วงช่วงบางช่วงบางช่วงแต่แต่เราแต่แต่ที่รู้สึกประหลาดตัวเองคือเออไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันตรงกับความคิดหรือว่าแบบต้องมันน่ะคือ คือคือคือคืออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้คือพอคือพอมางช่วงแบบเออบางช่วงที่แบบไหลไปกับมันดูวอะไรเงี้ยก็อคือไหลติดใจอ่ะเข้าไปอยู่กับมันเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์ช่วงนั้นก็อาพอรู้พอรู้สึกก็ก็กลับมาอยู่ที่ที่ที่ที่กายที่กายเคลื่อนไหวที่อานิาคือรู้สึกแบบว่าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าตอนคิดอยู่อะแล้วยังยังรู้สึกตัวอย่างเดีกับ กายยังตื่นอยู่ยังได้มินมายังมองเห็นยังสัมผัสกับอันทุกข์ทางในได้อะไรอย่างเงี้ยเออ ก, ก็ก็จะไม่จัดการอะไรกับมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมวัดไม่รู้สึกอะไรแบบนี้แล้วอ่าก็ก็จะกลับแบบอาจจะหยุดยืนืหรืออะไรยัง ท, งทำที่ที่ ท, ที่บอกที่เราเคยเคยเคยรายงานการจ้างงานไปเออเอก็สําหรับสําหรับผมก็ประมาณนะแต่มันไม่ได้ ไม่ได้แบบเป็นตลอดนะคะพราจะทำมันก็เป็นช่วงเป็นจุด ๆ, ๆ, ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่มันก็น่ารำคาญเราะว่าจันวันที่วันที่ตกอ่ะเอออันนี้คงมากเดินได้อารมณ์นี้นี่ดีเคือนเงินได้รู้สึกตัวดีแล้วก็แบบเพลอนหรือเปล่ า, าก็ไม่รู้ว่าเดเดินดีมากอาการแบบอาการอาการทุกข์แบบอาการพอใจกับกับการ ที่ฝาทาแบพื้นตันคงอ่ะไม่มีเลยแต่พอวันท่ากาศแง่แง่ก็เดินกันดีๆอย่างอันนี้ยเดินได้หนูหูทุกตลอดูลเลยก็คือรู้เดรู้ความทุกขที่เกิดขึ้นก็แบบออเม่งแตว่าเออมมันประกับแบบชาวบ้านเนี่ม็แบบดินก็อรมอากาเย็นไม่ชอบแบบร้อนอาจจะเป็นการแล้วก็เพื่อนเราแบบ ก็เลยลองฝืนทำหลายอย่างวาจ้าพอเตียหนูจะชอบแตงรองเท้าเดินเนาะเพราะว่าเราสึกว่ามันพอเป็นตัวช้าอน่างครั้งนี้ก็เลยลองแ่รองเท้าเดินดูบ้างอย่างเงี้ยเออมันเหมือนมันเหมือนมันเมนกับไมด้ับอันนั้นมันับนี่เลยครับ่านทพอใส่รองเท้ามันคิดยิ่งมากขึ้นีกี้ยมันก็านทานกรู้จะความไพอใจเนาะ แต่มันก็ไกลับมาอยู่กับตนได้กับไ่กับใจกับกัรน่ก็เห็นกับใจได้ก็ก็เกิดรู้สึกประหลาดใจิตมันก็จิตมันก็แสว่ามันยืมยอมรับอะไรมากขึ้นนจตมันเปิดใจยอมรับอารมณ์มาก้นี่ยก็คือก็คือมีก็ไง้คยดับแค่ีเออเออรเราก็ไม่รีบก็ได้นะเป็นแบบเป็นได้พาวนาแบบหลาท่าก็แล้วแบบไปแับทีละกัจดึ๊บกนึ๊ก็ได้ก็ นางดีอบหนักก็ไม่ใช่เรื่ยิ่ากระต่ายเนอะแค่รู้สึกแบบเออถ้ามันแบบตอแสำหรับหนูคิดว่าหนูประวัตเมื่อานเรื่อยเรือยนึไหมว่ามันจะมีความสงบท่ามกลางความฟุ้งซ่านนะอ่างนะจ๊ะเกิดแต่ภาวะนี้ภาวะความว่าความว่าจัด เรื่อว่าจากการเข้าไปจัดการอารมณ์ในใจทั้งสิ้นเรียกฟ้องว่าเนี่ยเรียกฟ้องว่ า, วาเรียกฟ้องสง บ, บคือมีตัวรู้ทั้ ง, างการเคลื่อนไหวด้วยมีตัวรู้ทั้งที่กําลังมีอารมณ์ความนึกคิดด้วยอันนี้แหละแต่ว่าจากการเข้าไปจัดการเข้าไปแทรกแทล่อยให้ทุกเรื่องทุกราวดาเนินงานดำเนินเรื่องราวของมันเองมันจบเองมันโดยเราก็อยู่ของเราอย่าฟ้องว่าอันนี้เรามีภาวะนี้ว่างจากความคิดว่าจากการจัดการ ว่าไม่ใช่ว่าจากความคิดนะว่าจากการเข้าพิจากับความคิดเนีว่าจากการเข้าพิจารณาใจกับความคิดแต่มีความคิดอยู่สังเกตเห็นไหมแต่ใจเราอะเห็นเห็นเป็นชั่วช้าแบบว่าใจเห็นเป็นชั่วช้ามันจะไม่คูนแต่ใจคูนมันงงว่ามันเราไปคูนใจเราคูนเพรว่ามจากคิดนู่นเอาใช่คือว่าจากไม่คิดว่าใจจะคูนเพราะว่ามานจะไม่ ว่างแบบไม่คิดเนี่ยมันว่างแบบไม่มีปัญญาบางทีว่างแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเพสุดท้ายเนี่มันพอมีความคิดขึ้นมาพวกเก็จะวุ่นเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยเราสามารถว่าจากความคิดที่มันมีความคิดด้วยแต่ละว่างจากการเข้าไปจัดการปล่อยให้มันดำเนินเรื่องจนจบดำเนิเรื่องจนจบอันเนี้ยมันจะเริ่มเรียนรู้ว่าไรอาจค่ะแต่มันแต่มันเรได้ที่สงบแต่ว่าไม่สงบแบบใจเบาอะไรอย่างงี้นะคะอาจารมันแท่อารม์ที่เหมือนกับว่า เอออยู่ได้เออเป็นแค่หนูขอสร้างว่าอารมณ์ที่แบบไม่ได้เบาโปร่งแบบมีความโลดนะแต่แค่อารมณ์ท่แบบเดออยู่ได้อยู่กับเอเดิแบบเดินแบบเดินแบบตับตะปุ่มตะปับอย่างนี้แหละเดินได้อยู่ได้แล้วไม่ได้รู้ว่าต้องทําอะไรบานเลยเนี้ยอ่ะก็อยู่ได้ทุกทุกทุกทุกทุกบ้านทุกบ้านเพลินบ้าเพลินบ้านอะเนี้ยเดินอยูได้ไม่ได้รู้สึกว่าต้อง ริระกแต่มไม่ได้เป็นทุกค่าวันนะคอาจารย์มันก็เป็นแค่บางวันทีมที่ทีได้แบบนั้นเพราะว่าเงีย้ยนี่ต่อไปนะเงี่ยถ้าได้รู้เต็มที่ก็ปรับปรุงมันใส้ได่ะอาจาได้เรียนรู้ให้มันเต็มที่แล้วปรปับปรุงมาใส่ดีเออแต่มายอมรับแนละ้วอ่าพอใจยอมรับแล้วก็ปรปับปรุงแค่นั่นแหละต่อไปนะออที่นี้เขาเขาเราิเร่มเาฝึกฝนอาไง เป็นแบบนี้ทำไมเป็นกุศกิจอึดอัดขัดเคืองไมยย่ยอมอยากจะทำแล้วไม่ทำอพอมันสบายแล้วสบายแล้วเราค่อยจะไปทำอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือครานี้รู้สึกรู้สึกอย่างหนึ่งว่าแบบเออจริงๆแล้วจริงๆวเวลาทาวนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเข้าใจที่พพทยาจย์อบอกอะนไรว่า มันไม่อะไรอ่ะเออเออคือมันจะเป็นต้องได้อะไรมันไม่ได้ได้แน่เนาะแต่มันได้เรียนรู้อะไรแบบมันไม่ได้อยากแบบที่ที่เราแบบเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเอแต่เราเมื่อก่อนเราติดเราติดแต่ว่าต้องให้ได้อะไรบางอย่างต้องได้รู้ได้ดูได้แย้งได้แจกงได้เข้าถใจได้ชัดเจนได้สงบอะไรพวกนี้เ้ยนิด กลับ <reproduce. S 1> <molecules> ไปได้เป็นต้นทามันทีตอนเนี oriented, ้ยทบทวนอารมณ์ให้ดีที่ว่าเราเราพากันฝึกไปน่ะสามสามคอร์เนี้ยคอแรกฝึกออกคอร์ดที่สองฝึกฝืนคอร์ดที่สามน้ฝึกอยู่ตรงกลางอันเนี้ยมันจะเข้าใจหลักการตัวเนี้ยเรากําลังฝึกอยู่ตรงกลางระหว่างการทํางานของภายนอกและการทํางานของภายในแต่เราจะเอาใจไปื่อเรียนรู้มันพอเรียนรู้มันเข้ายอมรับมันเข้ามากกว่าเข้าต่อไปใจมันจะใจมันยังวางอารมณ์ที่เราไปอย่างเนี้ย ใจยาว่าอารมณ์ความอยากของเราไม่หมดถ้าใจเราว่าอารมณ์ความอยากของเราทั้งหมดเนี่ยทั้งที่ความคิดยังมีอยู่ทั้งที่อารมณ์ยังมีอยู่ทั้งที่ภาษายังมืแต่ใจมันโล่งโล่งไปเลยถ้าใจมันยอมไปสุดๆไปมันวัดสุดๆแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวไก่น่าจะหุ่นหรือ ไ, ไม่วุ่นมันก็วุน่นขึ้นมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ใจเราน่ะมันจะสงบแล้วก็โล่งไปเลยต้องมันทีเนี่ยแต่ลึกๆไอ้ลึกๆเรายังมีมีความหวังมันแท้จร ได้อารมณ์แ<ช>บบนีันแบบนิ่บ บ, บ, บุอยู่นั่นแหละไมย่งมันจริงจริงวางยาไม่เป็นจะหันไปหยอกครับตองกว่าอาอจารย์นั่บอกไม่ให้ไปทำอะไรเลยก็ลดเจต่ตาลเราก็ปล่อยไันเฉยเฉยก็จะสบายสายๆๆิที่นี่พอสบายเป <S <S ็นพอสบายก็เหมือนๆๆไม่ได้ทําอะไรอีกอะไรเีจริงจรงอสบายนไม่ใช่ความสบายของเราเนี่ยแต่สบายแล้วยังมีการเียนรู้อยู่ นั่นแหเรียกกันว่าอะไรตอนเนี้ยเราขับรูปที่สเป็นฝึกอารมณ์ที่ส า, สาให้เป็นเช่นรู้นอกรู้ในแล้วก็ฝึกอยู่ตรงกลางค่อยจักเห็นค่อยจักเห็นนี่เ น, นี่ยเวลาตากระทบรูปเรดูสีมันคิดได้กระไรไม่คิดได้กระไรก็รู้ไม่คิดไดถ้ามันคิดได้กรรู้ไ่คิดได้แค่นนเอแค่นี้แหละแล้วก็ฝึกให้เห็นเห็นสภาวะเหมือนออปมาเหมือนเราเดินกูก็มีคนสองข้าศสองข้าศ พอคอยทักทายเราอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่หลประเด็นเราก็เดินเราไปเรื่อยๆเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาเราก็เดินผ่านไปผ่านมาสวนไปสวนไปมาแล้วพอได้ก็เรากค่อยจําลักษณะของคนที่มาเจอมาเจอเราเช่นความคิดโกรธเป็นอย่างนี้ความคิดพุ่งสั้นเป็นอย่างนี้ความคิดสงสัยเป็นอย่างนี้ความคิดอยากได้เป็นอย่างนี้อารมณ์อยากได้เป็นอย่างนี้ค่อยๆจำออกไปเลยไหมคือไปเลยคือคือมันต้องติดตามคือมัน เอืเออแต่คือมันต้องเป็นเซบที่สามนี่ย้ยอีกเอามาอันอนอันนี้อยู่ก่อนขออนุญาตไปไปทำก่อนนะพ่ะยังคือเข้าใจเขาเิร็จแล้วแหละแต่ยังแบบพอยังไม่ได้ลองแบบส่ไะจริงจริงจัรมันก็เลยไม่รู้ว่ามันันนะจะได้หรืเปล่า าอาจารย์มีเรื่องที่ที่ที่ท่ า, ทานกันอยากจะถามคือคืออันเนี้ยคืนอันเนี้ยคืออันที่รู้สึกว่าว่าเออว่าไอไอตัวรู้เนี่ยพระาจารมันคิดมันก็งงงนะเพราะว่าพอเราพอเราแบบพอเราพอเรารู้จักอาราะว่าหนูก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆทั้งทั้งทั้กรบ้ คือรู้ว่าเวลาลาสิคิดก็ขึ้นี่ยรู้อารมณ์อ่ะเช่นอารมณ์ง่วงนอนอารมณ์เบืออารมณ์เซงอะไรอย่างเงี้ยเออแรู้ว่ามันแล้วเราหลับแ้ราเสึกตัวบมันช้ามันชาขึ้นเลยดูมีความรู้สึกมันอันนี้ก็แบบเหมือนไม่ได้อะไรเนาะคือมันแบบจริงจริงอารมณ์ง่วงนอนเนี่ยจารณ์มันไม่ต่างจากพอไม่ต่างจากอารมณ์ฝืนของเรามา่อออกอุมันมันแบบมันมันรู้ปกมันก็ มันรูปุ๊บมันก็มันก็มันก็มันก็เหมือนกับล้อฝืน่ะที่เนี้ยรู้สึกว่าอ๋ออ๋อไอ้ฝืนนั่นอะมันมันมันเป็นการแบบบังคับแบบในตัวเองอ่ะให้ให้แบบลืมตาขนมาหรือว่าตื่นตากขึ้นมาแต่มันรู้ว่ามันเหมือนเป็นแค่แบบมันเป็นแค่แบบพอรู้ปุ๊บแบมันก็มันก็ตื่นตัวมากออย่างนี้นะเราะฉะั้รู้สึกเอ๊ะ ตลมันหรือไม่ทำตลงมันรู้ว่ามันเป็นแบ บ, แ บ, บน่กแน่อะไรอย่างเี้ภาษาแต่ดูรู้ว่จจริงแบบจริงจริงจริงๆมันไอตัวรู้กัน ตัวเดียวกันหรอกเพราะว่าถ้าตัวเดียวกันปุ๊บมันจะไม่มีหรอกไอตัวรู้ตัวรู้ที่ไปรู้สัญชาตญาณเ่ยสัญชาตญาณก็เป็นสัญชาตญาณเป็นตัวหนึ่งเออมันรวหนึ่งจริงๆเนี่ยที่รู้ว่าสัญชาตญาณนั่นแหละเป็นตัวรู้มันทําให้เรารู้สัญชาตญาณเเต่เราไม่เข้าใจมันพวเรานี่มันชอบเกียดแล้วไม่เออไม่ค่อยสนใจดวงตาตัวเองเลยไปสนใจสิ่งที่ตามมองเห็นอยูเรื่อย อ๋อเขาแชเขาแชแล้วอ๋อเขาแชร้วถ้าอยางนันถ้าถ้าอยางนันค่ะคือเมื่อานเราไปั่งตามสัญาติอินเไปเลยโดยทิ่ไม่รูโอเคโอเคเขาร์แล้วโอเคเขตอนนี้รู้อ๋อจะไจับรมาจับแหลแหลอมจะไปงงจะตังงอะไิดคิดไปทำไมมันแยขนาดนี้ก็ ก็บอกอย่างนั้นแหละเพราะตัวมันตัวรู้มันรู้สัญญาติยานสัญญาตยานก็แสดงไปให้ตัวรู้ก็เป็นคนดูมันเฉยนั่นแหละแต่เรางงมันเฉยไม่ใช่เดี๋ยวก็ลกนั่นแหละเพระว่าตัวรู้มันจาสัญญาติยานได้อย่างหนึงแล้วต่อไปมันจำอันอื่นไปเรื่อยเ่ยเรื่อยเเรื่อยเหมานั่นแหละมันจะจำต่อถนัมไปเรื่อยเรื่ยนี่จะเป็นไปทางอารมณ์ อารโกรธอารมหมุดกินอะไเดี๋ยวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันกับอื่นวันี้ยะคสืเออตรู้ก็รู้อารมณ์โกรธรู้อารมณ์หมดกิก็รู้ตรงๆรงตามที่ดีน้ำตินั่นแหละเนี่ยตาเราน่ะเวลามองอะไรมันก็มองตรงๆนะเดี๋ยเราไม่เคยสนใจตาสนใจสิ่งที่เรามองเห็นนะฮะเอาแต่ตาเราเห็นอยู่เดี๋ยวเราไม่สนใจตาสนใจที่งมองเห็นอ่าเหมือนตัวรู้สิ่งที่เรามองเห็นเหมือนตัวอารมณ์ จะหลากหลายแค่ไหนมันก็ไม่ใชตัวรูปให้เราเห็นลักษณะของมันอ๋อนี่คือลัษะต่าตชาติยานอันนี้ลักษณะองตัวโกรธอันนี้ก็ตัวอยาอันนี้ลักษณะของตัวจัดการอันนี้สัตว์ตัวตัณหาอร็ว่ากันไปแต่ละเรื่องมันจะค่อยๆชัดขึ้นขึ้เส็จแล้วขึ้นขัดเกลื่นของมันเรื่อยๆนั่นแหละคาตอบอยู่ต่อหน้าได้แหละไปหาคาตอบที่ไหนไม่รู้ทุกคนมาดีอนุกมี พอพอพอมันพอมันพอมันคำว่ามันมันใกล้กันมากอะค่าจ่ามันก็เลยเอ๊ะไม่รู้หรือไม่รู้เนี่ยแต่ที่มันรู้นัดเลยเนี่ยเออเออนั่นแหละเนี่ยแัลาการสงสัยนั่นแหละรักษาอาการสงสัยเออนี่แหละาการสงสัยก็รู้ทัันรู้กพอเอเอนี่ยหละอาการสงสัยแต่ไ่รักษาอการสงสัยไว้วง เนี่ยมันเป็นแซ่ชอบแสดงบทบาทอย่างนี้แหละสงสัยอะ่ะแต่ละที่ะชอบแสดงบทบาทซ้อนกันอยู่อย่างนี้แหละอ ى, ๋อก็ต้องแต่มันก็ต้องมีก่อนนะเออต้องมีก่อนนะนี่แหละทําไมจึงเราต้องเปิดปล่อยความคิดกค เ, เกิดขึ้นปล่อยให้อารมณ์เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ไปล่อยความคิดเกิดขึ้นอารมณ์ขึ้นปุ๊บโกาสของการเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้มันจะไม่มีเมื่อม่มีปุ๊บเนะี่ยเนี่เราก็จะมีช่วงแค่มีสติกับสมาธิอยู่ แล้วก็สระกับอารมณ์เหล่านี้ได้แต่เมื่อสติสมาธิอ่อนเมื่อไหร่อารมณ์พวกนี้จะพุ่งพราดขึ้นมาเลยนั่นเราก็จะสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะเราภาวนาะไปได้ผลหนึ่งที่จริงภาวนาะน่ะมันได้ผลอยู่แต่มันยังไม่เกิดผลสูก่กานวิปัสสนาที่ทําให้เกิดญาณปัจจานในการที่จะรู้ตามความเป็นจริงตามที่สิ่งนั้นเป็นทําเข้าใจตรงนี้ปุ๊บต่อไปนะมันจะสงบท่ามกลางความไม่สงบมันจะ ไม่วุ่นวายท่ามกลางความหุ่นวายนี่ค่ะประหลาดใจประหลาดใจเราะมนมันจะอิสระท่ามกลางความไม่อิสระแนี่ลองผ่านไปนะมาเรีนสเต็ปที่สามดีไเรื่อเนี่ยเรามาสเต็ปที่สามแล้วสังเกตตัวสเต็ปที่สามไม่ดีเนี่ตัวที่อยู่ระว่งอือแบ่งสองข้างสังเกีติสองข้างไปเรื่อยเรืยถ้ามัน แล้วก็พยายามสังเกตไอ้ตัวเนี่ยรู้ตามหลังมันให้ดีๆเด้อตัวเนี้ยจะเป็นธรรมชาติมากเลยให้เกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้การนข้าวทานข้าวจะเห็นการทํางานของมันเองโดยเราไม่จด้ไปทำในอันเราะเสียท่าจังหวะเราจนตัวรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตัวรู้ที่เราทำอยนะู่เนี่ยมันไปติดตัวรู้มันจมจิดตัวรู้ ตอนแรเดี๋ยยังไม่เข้าใจตอนนี้อันเนอันเท่าไหร่นะแต่อย่าพักคิดว่าเข้าใจเข้าใจแล้วเพราะว่าการเคลื่อนพอเคลื่อนให้ปล่อยให้เคลื่อนไปก่อนนะดิฉเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เองเข้าใจแล้วกันก่อนแล้วรู้ตามเคลื่อนกอดแล้วรู้ตามพยายามรู้ตามหลังกาเรื่อยแล้วกันเออเอาใจให้มันว่าเอไม่อยากมากจริงๆเน่ยจริงๆที่เราฝึกตัวกดมาน่ะเราจะซ้อมนี่มาเสร็จ ก็ฝึกกดเลเซ อ, อ, อพอเราเลิกกดปั๊บไปวันนี้จะทํางานต่อตัวนี้จะทำงานต่อเลยเราฝึกใหม่แล้วเราฝึกแล้วเราฝึ ก, กแยกประเสริฐเรียบร้อยเนี่ยแหละถ้าเราแยกอย่นี้ไปปล่อยพวกต่อไปเนี่ยเราอยู่ระหว่างเนี้ยซ้อมตัวรู้ให้อยู่ระหว่างกลางสองเรื่องราวไปเรื่อยเรืยเราจะเริ่มเห็นว่าเรื่องราวทั้งสองเรื่องน่ะมันเป็นของคู่ชีวิตแต่ไม่ใช่ตัวชีวิตตัวชีวิตคือตัวรู้ แต่สองเรื่องราวนี่ยเป็นตัวองค์ประกอบของชีวิตท่านั้นเองที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ได้ทาให้เราดีขึ้นหรือไม่ได้ทำให้เราเร็วลงมันเป็นเป็นยังไงมีแต่เราไปตามตามมันแหละอาจจะดีขึ้นหรือเรวลงถามอาจารย์เออพระอระาจารยโยมมีเรื่องจัดตั้งความอย่ากโยมจะงับออขม า, าอาจารย์โยมเพิ่ง อยูดีมเลือดขึ้นมาเองตอนที่อยู่ที่ลานจงกลบที่ค่ายเร้่ตัวกดนั้นคือโยมดูแล้วมาที่ทําไมโยมรู้สึกว่ายอมลาคาตัวกดว่ารู้สึกว่ามันเป็นฐานลัดเพราะว่าเพราะเพว่าส่วนเนี้ยโยมคิดว่าอ๋อเพราะว่าทีมันเป็นพวกเราอ่ะเราเราอยากจะให้มันดู้ต่อเนื่องไงอาจารย์นี่คือพอพอพอพอหยุดกดอ่ะพอมันกดรู้สึกว่าจัหวะ พอรู้ที่มันกดเราอะมันมันหักใลยเนยกยโยงเพิ่งจะ่ตัวเองโยกมาับบาอกไรนหรือวี่ว่าเออตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะแบบโยกแบบมองผลมองผังไปนี่ยที่อกว่าพูดต่อไปนออมันก่คอออมเป็นเพราะว่าอ๋อิงว่าเป็นภราพเจรู้สึกว่าเราลงพางเพราะว่าเออจะถ้ามันเป็นแบบนี้นะเราแบบเราลเอยมันจับแท่นับเออมันตอนแล้วพอมันกดรู้สึกว่ามันขาด ทำมันขาดช่วงไปแล้วรู้สึกออแต่ว่าแต่ว่าจังหวะแต่อยู่ท่าเนี่ยถ้าบาจังหวะถ้าถ้าถ้าถ้าช่วงไม่มันมนแบบมันมันแบบมันฟังไม่ได้เลยจริงๆโยมต้งในะคะก็ต้องใช้สักพักหนึ่งอย่างนแบบเออจะพอแบบพอเอาตัวเองว่าไม่ไม่ให้ตัวเองออกไปจากแบบการการภาวนาได้อย่างเงี้ยเพราะว่าทีบรรยากาศรอบๆอ่ะ มันคิดเยเดี๋ยวลงมาปุ๊บเราก็จะไปดูเต็นก่อนไหเดี๋ยวลงมาปุ๊บไปปิกเ้าก่อนเอหรือเปล่าเราเนยังไงพอเป็นมปุ๊บมันก็ทำให้เราแบบเออต้องเด็กตัวเองค่ะใช่เด็กตัวเองบาดอหญ่มันเกิดขึ้นได้ตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกเดินไปตามสามสามสเต็ปนี้ดีๆแล้วกันหนึ่งสองสาม ยกระดับไปเรื่อยๆเศรษฐิจที่สามถ้าเศรษิจที่สามปลอดแอะก็กลับมาเศรที่สแต่ว่าให้ระวังสามตัวนี้ไว้มากๆแล้วกันะะกายกรรมปจีกรรมมโนกรรมเนี่ยแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแต่ระวังสามตัวนี้ไว้ที่จะไม่ทําตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะปวดใจให้ได้ได้เรียนรู้มันได้มากขึ้นน ะ, นะประมาณนี้มันก็รู้ว่าตัวเองไม่ดีก็ต้องไม่นเนี่ยกติก อ, อ, องมันนะครับอาจารับ รู้ว่ารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังไม่ไมไทํามันเราจะไปเสียใจอะไรกับมันล่ะกิจกรกรมยังไม่ได้ทำมโูกับยังไม่ได้ทำปจีกับมยังไม่ได้ทํามันก็เป็นเรื่องของมันที่มันไม่ดีแต่เราไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมออออออโอเคครับน้ากรากขบคุพระเจ้ค่ะเอาใครมีปัญหาอะไรอยากไปงานต่อได้ เออแค่ง่ายค่ะจารยไยิเสียงหมคะพอดีไอันนี้มันได้ยินได้ยินได้ยินเรื่องเรื่องี่าอันี้ามเรื่องภแ เ, เบคาเนะะี่ยค่ะเอ่อโยมที่พระอาจารย์เล่าละคะ่ะหมนมกี้ี่โยมคือตอนที่โยมปฏิบวันที่ท่าเ่ยค่ะมันก็เหมือนกับมีเรื่องที่มาทำให้ใจอ่อทีนี้ตอนที่โยมเดิน เดินจงโหหาเรื่องมันก็มันก็ยังไงพอพอับไปอีกรอบนึงอะคือมันมันเปนคำโกรขึ้นแต่มันเป็นโกรน้อยะาพอเดินอีกรอบเลยค่ะนเห็นว่าความคิดอะมันส่งเรื่องขึ้นมาใหม่แล้วมันให้เห็นผลว่าทำไมเรานู่นนี่นั่นน่ะใส่ไทลงไปแล้วทำกรดเพิ่มขึ้นแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเล่าที่จะตก็โกธ แล้วตอนที <Res> yeah. <ste> in <iritual> ่เนยงเห็นเลยว่าอ๋อมินจีคิดของเราไป็นแบบนี้เองเวลาโกรธทำไมมันถึงโกรธเยอะขึ้นเรื่อยๆรื่อว่ามันเป็นต่อเอาเชอกยึดยืนยงจิมทำไมมันเสียงดังซ่าๆบางท้วงสิละเอ๊ะอเอราเริ่มจากโกรธน้อยหนึ่งลายกมากยังอแต่ว่านะคะในระหว่างเดินมันก็ ในช่วงหนึ่งมันจิมก็เข้าไปร่วมีนิดนึงนะคะแต่แต่ในที่สุดเราพอมันกต่อต่อแล้วเาก็เริ่มเข้าใจกันตอนก็เลยอืมอื้อเออแล้วอืมมันมันมันมันใช้แล้วยมจิมแต่ยอมจิมต้องเสิร์เก่ดีเวลามันมีอารมณ์โกรธปุ๊บแหะมันมันมีแค่อารมณ์โกรธนิดเดียวแหละต้องนอง้นความคิดเรื่องเหตุผลไม่จะมาใส่ไข่มาใส่ไข่จะย้ผล นี่ยมันก อ, อนย่นี้ยแล้วแต่ว่าสังเกตนะเวลาโยมจี๋เวลาไปโกรธหรือไปอะไรต่างๆสังเกตไหมว่ามันจะลืมลืมฐานภายนอกอ่ะลืมฐานกายลืมตร้างกายลืมกายกําลังเดินอยู่ยืนอยู่นอนอยู่นั่งอยู่หูก็ได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินอ่ะตอนเนี้เขาเรียกว่ามันเข้าไปเข้าไปต้องปรับออกมาหน่อยนึงให้โกรธดำเนินอยู่ไปนั่นแหะ ปรับให้มั น, นเออยัได้ยินเสียงอยู่นะเดินอยู่นะไหวอยู่นะแต่ความโผก่อนมันก็จะดินไปอย่างนั้นเออมันจะเริ่มมันจะเริ่มที่จะรู้จักขั้นตอนที่สามคืออยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางรูปและน้ำโดยมีตัวรู้เป็นหลักแต่จริงๆคามคิดมันําเนินสองไปจากสิ่งที่มันเจอาะะเน่อาเออนเิ น, นมาไปเดี๋ยวก็ดับเออเดี๋ยวก็ดับเองมัน ดําเนินเองมันดับเองมันแต่ใจเราอ่ะสังเกตดีดีช่วงนี้เขามีอยู่ต้องสังเกตด้วูเราอ่ะสัมผัสทางร่างกายได้ไหมจะเคลื่อนไหวอยู่แล้วรู้ไหมกาลังเดินอยู่เนรู้ไหมกําลังนั่งอยู่หรือติดตาอยู่เอออันไหนเออทีนี้ทีนี้เอาง่ายๆยมจิมหัดให้เราใช้ชํานาญในการรู้ตัวนี้ให้มากขึ้น รู้ตัวข้างนอกนยให้ชำนาญให้มากขึ้นแต่อย่าทําลายให้รู้ชำนาญในการรู้ข้างนอกให้มากขึ้นแต่อย่าไปทําลายข้างในข้างในปล่อยให้เขาเดินไปแต่เราจะแยกออกมาเล่นอยู่ทางนี้แต่ข้างนอกเนเล่นให้ชำนาญเฉยๆแต่ไม่มีเจตนาที่จะจัดการอะไรมีแต่เจตนาว่าจะเล่นอยู่กับกายเคลื่อนไหวพวกนี้เข้าใจไห้อืมหลักสัพพิได้รายานะ ทำๆแโเตอนเสร็จแล้วก็พอทําไปแล้วแบบพอช่วงหลังจากนั้นมันเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทํามันหนักก็เล่นไปแบบช่างมันในความคิดมันมันมีความรู้สึกว่าไม่ต้องดีก็ได้เดินช่วยอยากทำให้มันได้ดีแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้แล้วก็ก็เนี่ยทำทันชิดคำโหมด แต่ยังต้อมีการเดียนยังกยนเราใ่ไว่าเราก็คงนถังเราเป็นแบบก็ไม่ได้รัเกียจว่ามันจะมวกบ้าว่าเจบ้ารู้สึกเบาขึ้นรู้สึกาี้ได้ไม่ได้หรออืมอเข้าใจแล้วจิยยอมรับมาก จิตย่อมยอมรับเรื่อราวนี้มากขึ้นอยอมรับได้กับเรื่องรารอหนี้ได้มากขึ้นเออเออค่อยๆทาไปเนะค่อยๆทาไปเนะค่อยๆให้เขาเล่นอยู่กับไปเนี่ยแห ง, งนอกเนี่ยฝึกตัวนี้ดีๆนะให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้ตามเกิดก่อนแล้วรู้ตามเกิดก่อนแล้วรู้ตามให้ชํนานาญเลยเออเออเล่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆอกเกิดก่อนรู้ตามเคลื่อนไว้ก่อนแล้วไม่รู้ กระพิบตาก่อนแล้วค่อยรู้เออ อ, อย่างเี้บยบ่อยๆคือ น, น้ำลายก่อนแล้วค่อยรู้คอยอยากรู้ตามหลังมานะจะดีขึ้น อ, อ้าวโอเคมีใครอีกไม อ, อ้าวอเอาแค่นี้นะนม่มีใครอีกไมมแต่ตอนเนี้ยเปิดให้ถามได้เลยระกะรารยเจ้าสาพระจานาร์ เป็นยิงนัเป็นไงมากก็องี้ย้งก็อ่าก็มีทั้งรวมทั้งอารมณ์ที่มันไปบนด้วยอย่างอย่างยู่ขั้นขั้นเดหนึ่ของตัองค่ะจาร์บางวันก็ดีบางวันก็ก็เป็นไปตามสภาพบอกว่ามันไม่เกิดมโนมันีมันก็ไม่นามันเกิดนะพี่จาร์โดยเฉพาะไอ้ที่ว่าการการลูกนี่แหละเจอเยอะเติมหวยมอยู่ด้วยกันประจำเนี่ย ก็บางครั้งบางครั้งมันก็ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองคือมันก็มคิดเดี๋ยว่าจ้าแต่ว่าว่าีว่าีออกไปกอดนะว่าจ้ามันก็ไม่ได้คิดหรอกมันมันไปทันทีเลยอ่ะอัตโนมัติเลยใช่หจริงๆเ่จริงจริงอะไก็ไม่ก่อยนะมันมีเดสองคนอยู่มันเหมือนกับเป็นสองคนนี่แหละเราอยู่เราทุกข์านไอ้สองคนที่กับเราอยู่เรื่อย แต่๋ยวถ้าเราจำเป็นว่างคุ้เป็นนะเราจะไปอยู่ก็มันเป็นบางช่วงโอเคแล้วมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้นอกจากพัชจีกังโมโนกรัมแล้วถ้ามันอ่อนแอก็ไปปึกไล่ไปเลยหนึ่งสองสามวันเนี่ยอันก็อันก็กดอยู่แล้วคะอาจารย์เพราะว่ามันยังคงยังเที่ยงไม่ได้ชนปริยายก็ยังต้องใช้เกิดอยู่แล้วล่ะค่ะเอาะว่าก็จับมาอยู่กับเรียาบทปัจจุบันอยู่ห้ามหนึ่งเนี่แหละอืม แต่แต่ว่าใฮ <c oughs> ้มัล<ๆ>็กแต่<ช>จะเบาว่าอาจารย์อ่ะมันมันคืออ่าเราพี่ว่ามันความเบาๆก็ลรงฟังตัา้าใจว่าตรงกลางกลางนี่คือบางครั้งจะบอกว่าแหมเราจะเป็นหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับคือถ้าโกิดลราไปขี้วุ่นวายอ่ะมันมันก็ยังอยู่ใช่ว่าอาจารย์มันจริงมันน่าจะวุ่นวายเนีนนแต่เราก็อยู่เราได้ไม่ได้ไไดทุ ก, กรอนเออเนี่ยอีกหนรู้สึกได้อืมเพาว่าตรงกลาคือมันเห็นกองข้า เหมือนแบบเราอยู่กับอีกสองคนมันมีผิดเลยเห็นฉันเห็นมันทั้งสองคนนั่นแหละแต่ฉันไม่เข้าไปยุ่งมันอะไรเห็นทั้งนึกอเด็กสองคนน่ะเหมือนกับไอคนหนึ่งเป็นคนข้างนอกอีกคนหนึ่งเป็นคนข้างในเราเห็นเด็กสองคนนี้เนี่ยแต่เราก็เห็นพวเราด้วยที่อยู่กรลางไอเด็กสองคนนี้อย่างเงี้ยก็ไดว่าอยู่ตรงกลางเหมือนเราเห็นสองลงพ่อๆกันเลยได้เลี้ยงไปเลยข้างนอกมีอยู่ภาษาอายตนะข้างนอกทั้งหเกิดตลอด ข้างในก็โผล่ขึ้นมาเป็นความคิดและอารมณ์ตลอดไปกันหรืบางครั้งก็ไม่มีแต่เราเห็นภาวะนี้เห็นตัวตัวรู้เราเห็นตั้งสองภากฝั่งอยู่เสมอเลยเสมอเมนี่ก็เขาเรียกลักษณะการสังเกตว่าอยู่ตรง ก, กลางนับเป็นแสงแสงแต่ถ้ามันหายไปอ่ะมันหายไปใช่ไหมมันเข้าไปข้างในจนลืมข้างนอ ก, สกแสดงออกไม่ตรงกลางหรืออยู่ข้างนอกแต่ไปจัดการไหนก็ไปอยู่ตรงกลางเลย อาอยู่ตรงกลางคือมันเป็นนักกอล์ฟเอะอะเขาเขามีแบบว่าคือมันก็อยู่ด้กันเองไงอาจารย์อย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามางเห็นการณถ้าเรามองว่ามันไม่เหมาะไม่ควรหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสอนเขาอ่ะถ้าสอนอเขาอ่ะมันมันค่เหมือนกันมันต้องคิดแนี่ยเราต้อมีมีมโดว่าก่อนแล้วก็มีวัจจีแต่ารสอนเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เกิดเป็นอารมณ์อะเราก็สอนไปอ่ะสอนสอนเสร็จแล้ววันนี้ การอะไรอ่ะเถียงคือการต่แย้งกับกรรมของเขาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไม่พอใจเราก็รู้ว่าเราไม่พอใจแต่เราก็ไม่ต้องสวนกลับถูกไหมประธานพี่ถูกอย่างนี้ไม่พอไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะคือคือเราเสียงเราสอนไปแล้วเขาสอนมาปุ๊บเรายังไม่ได้สวนกลับไปแหละเรามาดูัฟังไม่พอใจเราซะก่อน ดูซิว่ามันมีผลแบยังไงโอ้มันมาก็ะทบเป็นย่ี้ปุ๊บเราไม่พอใจนะ้เราก็ดูมาสักก่อนดูความไม่พอใจเล่นๆไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนก็ดูเรื่อยๆได้ดีปดุ๊บเราก็ค่อยบอกค่อยๆบอกเขาอบอกเขาถ้าสวนต่อไปอีกปุ๊บไปงถ้าสวนบอไปอด้วยอารมณ์มากล้วก็จะเริ่มมีอีเรื่องเรื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหัดได้ไหมว่า สอนลูกตัวเองก็เหมือนสอนลูกคนอื่นมึงจะเอาไม่เอาวะช่างก็สอนมึงแล้วก็บอกไงเออแม่สอนลูกนะลูกจะฟังไม่ฟังว่าช่างกูกนะลูกต้องรับผิดชอบนะถ้ามันไม่ดีขึ้นมาพวกลูกต้องรับผิดชอบสิ่งที่เดือดลูกทํานะแม่ไม่ไม่รับผิดชอบนะเพราะแม่บอกลูกหมดแล้วแต่ลูกยังจะทันอีกยังจะเอาอีกนี่คือสิ่งที่ลูกต้องรับผิดชอบนะตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น แม่ไม่ได้รับผิดชอบด้วยนะต้องเอาอย่างงี้ขูมไปเสร็จท่านไปฟังก่อนขูมไปเสร็จเลยอันนี้ว่าจะสอนแล้วให้ให้ก็ฟังให้ก็ทําตามเขาไม่อยากทตามก็จะไปเขาไม่อยากกินข้าวก็จะ่า้ก็กินเลยเรื่องจำเป็นก็บอกว่าเออเนี่ยจะเสียหายแบบนี้แบบนี้จะเอาไป้ต้องแค่นั้นแหละปล่อยไป ปล่อยไปเรื่อยๆค่อยสอนแล้วปล่อยสอนแล้วปล่อยอย่าไปตามจี้ใ ห, จให้เขาจำได้เขาเชิญด้วยตัวเองว่าแล้วก็จะรู้จั ก, จากสานึกในคาสอนของเราว่าเออแม่ถูกนั่นจริงๆน่ะแล้วเหมือนกับบี้สองนี่แหละกลัวเราอยู่เรื่อยต้องค่อยฉุดต่าไปที่กฉดต่ที่งแบบเหมือนแม่้อยนี่แหละไอ้สองตัวนั่นก็ฉุดอยู่ด้ะยแหละก็เดากัดไปเรื่อยเดือเอเอไอ้สองตัวนี้ยืีฉุดลกข้าสองฝ่ายนี่แหนะ อาจารย์คะในในอาจจะใจอย่างนี้ยกยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะอย่างแบบเหมือนก็มีคนมาจอดใกล้ใกล้บ้านเราแล้วเปิดสตาร์ทแล้วต้องนานควันควันกลิ่นอะไรเข้ามาเนี่ยคือในในมุมว่าถ้าเราได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกว่าเราได้กลิ่นแต่มันยินหัวเพราะดังก็ชื่อมันก็จะมีคนขุ่น่ะเราณุนแก็ต้องนขึ้นไปปุ๊บไปโชว์หลังบ้านกันก็ยืดได้เขาดูเขาบอกไม่เราแเราก็บอกบกเสื้อบอกทําไรได้ให้เขาเห็นเราว่าเออ ช่วยช่วยดับเครื่องรถต่อยท่าจอดนานเงี้ยแต่ตอนนั้นหนิงก็มีคนหนิงก็รู้หนิงคนเน้ยนะแต่เขาขึ้นเขาเห็นใต้ปพ๊บเขาก็รู้เลยวว่าถึงมันจะมาบ่อยหลังบ้ า, านอ่ะเดี๋ยมันจะกลายเป็นที่จอดรถของคนของที่อื่นอย่างเงี้ยขึ้นเขาเปิดเป็นที่ของคนอื่นแต่มันอยู่ติดด้านหลังบ้านอยาเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าก็ค mm ือ hmm. ถึงก็คือการจัดการแก้ปัญหาของตัวเองก็คือ เหมันก็โทรแจ้งอ่ะโทรแจ้งตามเบอร์หรือว่าขางเอเดนต์ต่อถ้าถือว่าขับรถมีปนนัญหาก็โทรแจ้งเลยว่าเขาจอดรถนานเป็นชั่วโมงซึงกนปีกเข้าบ้านาบบนี่ก็ทําแบบเนี้ยก็แก้ปัญหาเนีจนหลายๆคันเขาเขรู้แต่พอเลยๆคันเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็มัรู้ต้องพอดเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือบางครั้งก็เห็นความโหดเหี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ ย, ย, ายการเดินยืนเห็บตายบจอดรถแล้วกูนาดับดื้อด้วย เขียนป้าบอกแต่คุณก็ต้องยอมรับนะถ้าคุณทำตามไปแล้วคุณก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งวันต่อทีข้าวไปทาตามทำตามนะแล้วไปจ่ายค่าค่าสองคือโทรบอกนะเออแล้วก็อะไแต่เขาไปทําตามอีกก็จ่ายค่าค่าที่สาคือไปบอกในตัวเองถ้าเขาไปทําตามอีกก็ยอมรับไม่ต้องไปทําอะไรอดเข้า ว่ากันอไปอยู่ว่โนดย้ายไปอยู่นู่อยู่ในนวดสูบนู่นคองค่ะก็ก็ก็รู้ว่าก็ยังค่ะแล้วต้องเข้าใจคนค่ะอ่เราต้องเข้าใจคนว่าโอเคมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ก็ต้องเข้าใจคนนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่เด็ดกาแค่หนึ่งสองสามแล้วโอเคไม่ได้เรื่องก็เข้าใจเขาประมาณเนี้อาจารย์ แล้วอีกอย่างที่บอกว่ารูกก้ตั้งหลังการทำอ่านี่อาจารย์ถ้าอาจารย์รู้คุณอาจารย์บอกว่าสายทีได้ไหมครับอ๋อทีหลังใช่ไหมก็ตัวอย่างเช่นเราได้ยินเสียงก่อนแล้วจึงกดใช่ไหมอ๋อ่ะใช่อ่ได้ยินเสียงก่อนแล้วจึงกดได้กินก่อนแล้วจึงกดใช่ไหมอ่าเป็ที่<อ>ที่เราทำตัวเองใช่ที่ได้ยินก่อนแล้วรู้ก่อนนะไม่ต้องกดนั่นแหละแค่รู้ตามหลัง เออแต่ถ้าเราเกดที่รู้ทําขึ้นารากดนี่คือรู้ทําขึ้นแต่ว่าเมื่อได้ยินเสียงก่อนแล้วรู้นี่ก็เรารู้ทำหลังได้กินก่อนแล้วรู้นี่ก็ ร, รู้ตามหลังพอเราะรู้เสร็จปุ๊ปบเราจะมากด อ, อีกทีหนึ่งใช่ไหมเออเออไอตัวกดตัวเนี้ยไอตัวกดอีตัวหนึ่งเนี้ยไอตัวกดอีตัวหนึ่งเป็นตัวกดที่ทําขึ้นที่มันไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันทาขึ้น แต่ตัวรู้ครั้งแรกเนี่ยเป็นรู้แบบธรรมชาติทีนี้มันคิดก่อนแล้วค่อยรู้มันอดก่อนแล้วค่อยรู้นี่ก็เรียกว่ามันจะเริ่มฝึกรู้สึกตัวที่ว่าเกิดฉันไม่เด่นขึ้นนะมันมาก่อนนะอาฉันขึ้นอแล้วปล่อยเข้าไปเข้าต่อไปโู้ดียินเสียงก่อนแล้วค่อยรู้เออผมทํางานเองมันนี่หว่าใช่ไหมกายมันเย็นเรก่อนมันเคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยรู้เออกายทำงานก็มันเจ็นนี่หว่า ใ จ, จอารมณ์ที่เกิดกับใจก็มันคิดขึ้นมาก่อนแล้วเลยว่ามันคิดขึ้นมันเองดีกว่าไม่ใช่เราไปชนคิดรเราจัด ก, การความคิดไม่ได้เราแค่ให้ตัวรู้เราจะรดำเนินขึ้นเห็นไหคือให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้แบบเนี้ประมาณเนี้ยคือวันทั้งเราลองหยุดลองหยุดที่จะไม่ไม่กดสิเราจะเห็นเั็นกระบวนการของการคิดมัน ที่แบบอย่นี้มันให้รู้อาการที่เกิดขึ้นมาก่อนมาที่บอกว่ากดห้าร้อยแล้วหยุดไอ้ช่วงหยุดที่หลังนี่แหละมันจะได้ฝึกตัวนี้เลยฝึกตัวเขาเกิดมาแล้วเราค่อยรู้เกิดแล้วเราค่อยรู้เกิดมาแล้วเราค่อยรู้เนี่ยฝึกตัวนี้บ่อยๆเพราะไอ้การเกิดขึ้นมาของมันน่ะหนึ่งเราเราจะกัดการเวลาไม่ได้สองเราเลือกสภาวะไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เลือกสภาวะไม่มีสิทธิ์เลือกเวลา แต่เรามีสิทธิ์ที่จะรับรู้มันตามที่มันเป็นอิก <c oughs> ก็ได้จิก็ได้นั้นไอ้ฟันสองสามขั้นตอนนะ่ะพอขั้นตอนที่สา <c oughs> คือการจิกกับเอ้ น, น, อนมออยืนตรงล้าน <c oughs> มันเหมือนนึกถึงเหมือนมีลูกอยู่ค้างสองตัวก็จะโกวนเรานี่แหละเดี๋ยวเราแต่เราไม่ไปยุ่งดูพฤติกรรมเข้าไปประมาณนั้นแหละ พฤติกรรมเขาจะจะรู้สึกตัวขนาดว่าเกิดขาเกิดขากับการยอมรับเรื่องตามมาว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้แหละค่อยๆดูแลกันไปค่อยๆประคับประคองกันไปเรื่องยิไอจเขาก็เรื่องยิงใจเราต่อไปเป็นจังหวะสิอันตอนที่หนึ่งคือแต่ตอนนี้กันให้เขาเกิดก่อนแล้วค่อยกดอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการ เลยกดแล้วการลอกดเป็นการพาใจออกมาฝั่งนี้ออกมาฝั่งอยู่ฝั่งท้ายนี้หรือออกมาจากทั้งสองฝั่งอันนี้คือขั้นตอนที่1ออกมาจากออกไปจากทั้งสองฝั่งเลยคือตาเห็นแ ล, ล้วกดมันคิดเรื่องอะไรรู้แล้วเรากดมันเป็นการพาใจออกอีกขั้นตอนที่1นขั้นตอนที่2คือการพาใจฝืนเมื่อออกมาแล้วยังมีพฤติกรรมที่จะอยากทาตามอันนั้นอยู่อารมณ์นั้นไม่หายแต่เราจะไม่ห้ามมัน แต่เราจะฝึกฝืนมันโดยการระวังสารโพนี้ให้ดีกายกรรมวิจีกรรมพโนกรรมสามอย่างนี้มันจะมีกาเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามแต่ ร, รักษาสามอย่างนี้เอาไว้ก่อนเขาเรียกคุมคุมชัยชนะไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นนี่คือขั้นตอนที่สองนีส่วนขั้นตอนที่สามคือการฝึกอยู่ตรงกลางโดยใช้อารมณ์หนึ่งยอมรับยอมรับสอง เรียนรู้สามอุเบกห์ที่จะไม่ทำอะไรไม่แทกแต่งใดๆทั้งสิ้นโดยการหัดอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสภาพฝั่งภายนอกมีตาขูดจมูกรินกายทีวีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่มันกระทบสัมผัสเนี่ยอาศัยให้จิตคุ้นเคยฝั่งนี้ให้มากขึ้นเพราะฝั่งเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นซื่อๆตรงๆส่วนภายในก็จะมีความคิดและมีอารมณ์เกิดขึ้นต่างๆก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นธรรมดา ไม่ต้องไปจัดการมันไม่ต้องไปแทรกแทงมันเดี๋ยวมันจะหายต้องไปเองแต่เรียนรู้มันในที่เป็นการระเบิดขานี่คืออารมณ์ที่สามที่เราจะต้องดําเนินการฝึกฝนให้มันทํานาญต่อแล้วลองไปหัดูนะถ้าใครทำได้แล้วแต่ตื่นจะหลับโดยเข้าใจภาวะอย่าง น, นี้ยแบบเหมือนใช้ชีวิตแบบมีเด็กสองคนอยู่ข้างๆกายเราที่คอยจะกระตุกเราอยู่เรื่อยคอยดักมาให้เราเห็นพฤติกรรมอยู่เรื่อยๆ แต่ใจเราก็ไม่ไปไปตัดสินไปให้ค่าแต่น้อมทําใจิตใจที่อ่อนน้อมพร้อมที่จะศึกษาพฤติกรรมของเขาเมื่อเข้าใจในการทุกจุดที่แล้วเนี่ยต่อไปใจเราเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วใจเราจะอยู่กับเรื่องเหล่านี้ได้โดยที่เรื่องเหล่านี้จะเป็นจะตายยังไงใจเราก็ไม่สะดุดึงสะดือเพราะเข้าใจมันนี่คือเหตุผลทั้งหมดในขั้นตอนที่สามที่ต้องฝึกก็ให้เดินเล่นไปสามระดับนี้แหละ ถ้าคนไหนชนะในขั้นที่สามก็ขั้นที่สามเลยคนไหนชนะในขั้นที่สองเมื่อไปที่สามไม่ไหวก็กลับมาที่สองเมื่อที่สองกลับมาไม่ได้กลับไปที่หนึ่งสลับไปอย่างนี้แล้วให้สร้างจังหวะเวลาเดิมบดห้าร้อยเหลือหนองนั้นฝึกแบบนี้เอาใจนะพอจสรุปขบวุกครนี้ได้ขอให้ทุกคนลองไปฝึกดูนะค่อยมารายงานอาทิตย์หน้ากลุ่มไหน กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามอะนกลุ่มสามอ่าก็ลองลองเราเขียนรายงานส่งมาเรื่อยๆแล้วกันแล้วเราค่อยไปเจอกันเดือนวันที่ยี่หกอ่าเดือนเดือนนี้ยี่สหกถึงสามสิบแล้วมีอะไรก็ค่อยคุยกันว่าเราจะทําโครงการนี้ต่อหรือจะหยุดโครงการนี้หรือจะทําในรูปแบบไหนเราค่อยไปฝึกษากันอีกทีหนึง น, นะตอนนี้ฝึกไปก่อนตามนี้นะข อ, อนุมโมทนาสาธุ ใช่เออไว้าก่านาก่านาทุกคนนะสาธกลาภขอคุณอาจารย์สาธุพระอาจารย์เจ้าค่ะอนุโมทนาค่ะาธุค่ะ